มันคนชสาสัยนางสาวยีสายคูหอขยายข่าวเรื่องสั้นก็ทำให้ยาวยาวไปจนวายวอนเคยพูดจนลมแสดต้องให้แทเนเท็กปอดหลายครั้งฉันชวนไม่รอดหมอบอกปอดมันหมดลม ความเปลี่ยวความขมทะลึงบวกความทะเลนี่เล่นและเจ้าค่ะ ไปเถอเมื่อไร